ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกัมมันดาท่านพุทธบริษัทก็ยังเป็นสารบานในในหนังสือประวัติคุณพ่อปานอยู่ยังไม่เข้าในหนังสือตั้งนี้ก็เพระาะอะไรเพราว่ามันยังคลั่งพูดอยู่ถ้าลงน้ําลายแตกแล้วมันไม่ยาอยู่เตุด ทั้งนี้เพราะอรพราพเงียบมานานในตอนเริ่มต้นตอนแต่เขียนหนังสือประวัติสมภพปานความจริงไม่ได้เขียนบันทึกเสียงและก็ทำเป็นเล่อมอื่นที่คัดลอดลงไปมีพระหลายท่านปรารบมา ก, กับคนนี้ำมาเคารพนับถือเพราะด่าพระมากเกินไปเสียแล้วเขาไปช่วยยับยั้งด้วย แต่ก็ไม่มีใครเขามายับยั้งตอนนี้ก็เลยพักด่ามานานแต่ความจริงที่ด่าเนี่ยไม่ได้ด่านะพูดให้ฟังพูดตามพระธรรมวินัยทำไมจึงเรียกว่าดา่าคนที่รู้สึกตัวว่าด่าก็แสดงว่าไม่เคารพในพระธรรมวินัยด้วยไม่เคารพในพระราชัญญัติปกครองคณะสงฆ์ด้วย ไม่เคารพในสังขานัดด้วยไม่เคารพในกฎมหาเทรสมาคมด้วยไม่เคารพกฎหมายและประเพณีนิยมด้วยคนที่ไม่เคารพในสิ่งต่างๆที่กล่าวมานี่ญาติโยมพุทธบริษัทคิดว่าเป็นคนดีหรือคนเลวแต่ว่าท่านอยากจะไหว้คนเลวก็ไปไหว้คนประเภทนั้นก็แล้วกัน ยงอย่ามาคบหาสมาคงกับอาตมาอาตมานี้ก็ไม่ใช่คนดีคำว่าดีนี่ยังไม่มีแต่แต่ว่ายอมยกย่องพระพุทธเจ้าว่าเป็นพราดีแล้วก็ยอมรับนับถือตมกต่างๆข้าขหมู่คณะที่เขาเขียนกันไว้แต่ก็ไปที่หน้าเสียใจที่คนที่มีอำนาจควบคุม กฎทั้งหลายเหล่านี้กลับไม่ปฏิบัติซิเองไอยอย่างนี้ถ้าเป็นคราวาสเขาบอกต้องเลิกตูดเตะแล้วถอดหมวกตีหัวถ้าเป็นคราวาสเนี่ยนี่เลิกตูดกันมาแล้วก็เตะเพราะอะไรว่าเตะทั้งผ้ามันเจ็บน้อยถ้าถอดหมวกตีหัวเพราะอะไรว่าจะตีทั้งหมวกมันเจ็บน้อยไปถอดหมวกแล้วก็ตีหัว อันนี้เพราะอะไรเพราะมีอำ น, นาจควบคุมแต่ไม่ใช้แล้วคนอื่นใครแล้วเขาจะใช้ใอ้ความเร็วของตัวแต่มันน่าจะมองให้มันเห็นพระพุทธเจา้าบอกว่าอาจารนาโจทยัตานางจงเตือนตนได้ตนเองไว้บ้างสิกลายโทษจดความผิดตนของตนเองไว้สิบ้านศีล้าปฏิบัติกันแบบไหน สมาธิเขาทำกันยังไงวิปัสนายายเขาทำกันยังไงพระเรียนมาตั้งแต่ ก, ก่อนที่ยังไม่ออกจากบททำกันบ้างหรือเปล่าถ้าทำก็ไม่รู้สึกหนักในเรื่องที่พูดนี้ถ้าคนที่หนักคือคนไม่ได้ทำและคนประเภทนี้บรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัท ยังคิดว่าควรจะขุนข้าวขุนน้ำอยู่ต่อไปหรือถ้ายอมพยายามขุนข้าวขุนน้ำคนประเภทนี้ก็แสดงว่าเลี้ยงกาฝากไว้ทำลายล่มโพรม่มใสคือพระพุทธศาสนาอีตอนนี้เรามาจวกกันหนักสักทีมันไม่เน้นนวดจะมานานแล้ว นิ่งมานานยังท่านจะทําลายวัดน้อยเนะสร้างไว้ขึ้นมาตั้งร้อยล้านบาทกว่าด้วยศรัทธาขุมมันดาญาโยมพุทธบริษัทแต่ว่าเจ้าพูกนี้ไม่ได้เห็นดีเลยทําลายศรัทธาขัยขุมมันดาท่านผู้ตบริษัทก็มีพระผู้ใหญ่ไม่กี่ท่านกับพระราชาคณะอีกอสมควรไม่มากนะักโดยพูดปริมาณและเปอร์เซ็นต์มันน้อยจริงๆ ท้าสนับสนุนไม่อย่างนั้นแล้วก็วัดนี้มันเป็นพุทธนิกยไปแล้วอยากจะตั้งเป็นพุทธนิกยแย่นิกายออกมาสิจากผู้อรชีหน้าด่านอยากจะรู้นักว่าผู้อรชีเนี่ยมันจะดีสักแค่ไหนมันทำอะไร เ, าเขาไม่ได้ไม่ทำความดีจะทำลายความดีของคนอืน่น เวลานี้อยากจะให้อยากไปไหวเด็ดเด็ดที่มันได้มโนยิธิแต่ที่พยูุ่ยานที่สำนักต่างๆท่านสอนขึ้นมาใน่จะเนีกว่าตมาสอนนัไม่ใช่อ่ะคนอื่นเขาสอนกันเขาทำได้เขาอยู่ไกลตําราพระศาสนาเขาไมา่ได้ผมผ้ากาสาวพัดเขาทำได้มันน่าขายที่หน้าเขาเหลือเกิน เหมือนกับคนที่แต่งตัวเป็นตำรวจทหารแต่ว่าซ้ายหันขวาหันไม่เป็นไม่รู้ระเบียบของทหารแต่คนนี้เไม่แต่งตัววิชาดังนั้ไม่แต่งข้างแบบทหารเขาทำงานในทหารได้ครบถ้วนอย่างนี้คิดว่าใครมีสมรรถภาพคนหนึ่งแต่งตัวเป็นพ่อครัวเ้าไปจัดอาหารใ้ครัวแต่ทำอาหารไม่เป็น คนหนึ่งนั่งคอยอยากินแต่เก่งเรื่องอาหารในที่สุดการอย่าทำคนที่เขาเก่งเรื่องอาหารแนะนำคนครัวไม่เชื่อทำออกมาแล้วกินไม่ได้จะถือว่าไอ้คนครัวนั้นมันเก่งเลยแต่งเครื่องแบบพ่อครัวแม่ครัวไม่เก่งหรื อ, อยังไงมีรวงความว่าศ า, าสนาเราเหมือนกันเพศไม่มีความสำคัญ การแต่งกายคนหัวหอมพ้าเหลืองไม่มีความสาคัญความสาคัญมันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์จิตของเราเคารพในพระธรรมวินัยหรือเปล่าถ้าไม่เคารพในพระธรรมวินยัยคําว่าพระมันก็ไม่มีเขาเรียกว่าเถนะสตรีท อ, อถุงนอนหนูเทนะกับเราหัวขโมยขโมยเอาผ้าผ้าเหลืองเข้ามาหม่มเอาเพศบรรพชีตเข้ามาใช้ เป็นอันวาคุยกันต่อไปตอนนี้ล่อจะให้ช้ำเนี่ยมันเงียบมานานอัดอัานมานานที่อัดอ้านมานานเนี่ยไม่ได้โกรธเห็นว่าพวกทำลายพระศาสนามีมากขึ้นแล้วก็พว้เจริญลงพระศาสนาก็มีมากขึ้นเวลานี้พูดอะไรก็พูดได้แล้วพูดได้เพราะว่าถ้าพูดไม่จริงนี่คนเขารู้จริงมันมีเขาจับโกหกได้สบายใจ สบายใจการพูดและเขาจับโกหกได้เนี่ยสบายใจถ้ามีคนจับโกหกได้นะแต่ว่าเราจะได้รู้ที่เราพูดไปนี่มันไม่โกหกเราถือว่ามีพยานอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตถาคตเห็นมาแล้วแต่ไม่มีพยานตถาคตไม่พูดเวลานี้แต่มีโมฆคลาเป็นพยานตถาคตจะพูดเป็นอันว่าวันนั้น เมื่อท่านถามว่าจะไปไหนก็บอกว่าจะไปตามสัญญาพระท่านก็บอกว่าคุณไปไม่ได้หรอกคนของคุณในดิต่ชาติมีเป็นแสนคณคองโยมคุณก็มีอยู่แต่คุณยังไม่สามารถจะสงเคราะห์ให้คนพวกนี้สามารถช่วยตัวเองได้ แล้วคุณเปียไปยังไงก็เลยกราบเรียนได้บอกว่าจะไปเอายังไงเขาอยู่ที่ไหนบ้างในเวลาทิศสองปีเขาไม่มาในไปนั่งห่วงเขาทำไมมันก็เรื่องของเขาอยู่ตั้งทิศสองปีเขาไม่มาก็พอดีโยมท่านอยู่ด้วยในที่ประชุมนั้นถามว่าประชุมที่ไหนบอกประชุมใ น, นอากาศเอา ว่าไปที่โ อ, อติมนุสธรรมเราะวังให้ดีนะเราะวังให้ดีนะพูดที่อื่นนะพูดได้จะมาพูดให้ได้ยินนะอย่ามาพูดต่อหน้าถ้าพูดต่อหน้าไม่เลี้ยงกันไม่ว่าชั้นไหนทั้งหมดคำว่าชั้นไม่มีในพระศาสนาจะมีชั้นเพียงว่าคนนี้เป็นชานโลกีรือ วันนี้เป็นปรสโสดาบันสกิทาคามียนาคาเมรันฉันมีเท่านี้นะถ้าฉันอย่างอื่นนะไม่มีนะจะมาพูดให้ฟังนะไอ้ฉันล้นชั้นนี้ชั้นนี้แต่งที่ตั้งกันเนี่ยไม่มีความหมายไม่ได้สนใจไอ้ชันทําลายระเบียบวินัยเนี่ยไม่เอาไอ้เรื่องชันจะมาพูดกันฉันเอามาพูดแต่เพียงว่าท่านได้อะไรแล้วแล้วก็มาคุยกันว่านี่มันโกหก ว่ามันไม่จริงทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้อย่ายื่นหน้าเข้ามาไม่เลี้ยงกันแน่ตอนนี้เอากันจริงๆ <c oughs> เป็นนั้นว่าหมดเรื่องเอาใจคนเลวกันเสียทีหนึ่งเป็นนั้นว่าเมื่อท่านพูดอย่างนั้นก็เรียนท่านไปวันนี้นเมื่อเขาไม่มาจะไปจริงเขาที่ไหนพอดีโยมท่านอยู่ด้วยอย่าลืมนะเอาเลยพวก อย่าหาอวบโอจริตรมนุษยธรรมก็เชิญเลยว่าเราไปชุมกันในอากาศเวลานี้เด็กอมมือเขาก็ทำได้แล้วพระทำไม่ได้คุณไปไหวเด็กเขาเราไปชุมกันในอากาศท่านก็บอกว่าคุณคนของคุณก็มีอยู่มาก <c oughs> คนของฉันก็มีอยู่มากที่เราได้อาศัยเขาในสมัยชาติก่อน เราทำงานทุกอย่างเป็นงานใหญ่แต่ทว่าเราจะทำคนเดียวไม่ได้งานทั้งหมดเราเป็นเดียวหัวคิดแต่เรื่องแรงเป็นเรื่องของเขาแต่หลายๆกรณีความคิดก็มาจากสมองของเขาทำให้เราทรงตัวอยู่ได้ฉะนั้นท่านผู้นี้ทั้งหมดจึงถือว่าเป็นผู้มีคุณกับเราที่เขาเป็นลูกของคุณก็มี เป็นเพื่อนของคุณกม็มีทุกคนจะเป็นคนชั้นไหนก็ตามถ้าเขาทำให้เราอยู่เป็นสุขได้ต้องถือว่าเป็นผู้มีคุณ <c oughs> เราจะต้องช่วยเขาให้ให้ทรงตัวได้คุณจะตัดช่องน้อยไปแต่เฉพาะตัวอันนี้ไม่ได้เ็ยเลยกราบเรียนโยมท่านไปบอกว่าก็ อ, อยู่ถึงที่สองปีนี่ตามสัญญาที่พระ ท่นให้สัญญาไว้ในเมื่อเขาไม่มาแล้วก็เวลานี้เขาอยู่กันที่ไหนบ้างอาตมาก็ไม่รู้และจะไปตามเขาที่ไหนอีประต์การหนึ่งร่างกายก็ไม่ดีเดินก็ส่วนจะล้ม <c oughs> ถ้าไม่ใช้กำลังใจเขาช่วยทํางานอะไรก็ไม่ได้เลยนี่เวลาที่จะทํางานทุกอย่างจะต้องใช้กำลังใจช่วยทั้งหมด นั่นเ้งเมื่ออยู่ทั้งป่านนี้เขาไม่มาห่วงอะไรเขาละแล้วจะไปเกณฑ์เขามาจากไหนท่นก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรละคุณ <c oughs> ไม่เป็นไรฉันจะเกณฑ์มาเองพอร่างกายของคุณดีเข้ามาควนี้ฉันจะเป็นคนเกณฑ์มาเอาละสิมีคนเกณฑ์ท่านแล้วทำยางไง ก็ท่านถามนั่นว่าไอ้ ก, การที่จะเกณฑ์แล้วไม่เกณฑ์การที่จะอยู่แล้วไม่อยู่การที่สงเค้าแล้วไม่สงเค้ามันมีพันธะอะไรบ้างท่านก็บอกว่าก่อนที่คุณจะมาเกิดในชาตินี้คุณมาจากพรหมคุณมาจากพรหมแล้วคุณตั้งใจจะมาขอลาปฏิปทาเดิมเพื่อตัดรัฐตัดทางให้มันสั้นเขา่า แล้วคุณก็สัญญากับฉันไม่ว่าถ้าคุณจะรับตัดทางเดิมคนพวกนี้เนะี่ยเขาบำเพ็ญบารมีมาเกาะหลังคุณมาตั้งแต่อดีตหวังจะไปจบกิจพร้อมกันแต่คุณจะมาตัดรัดตัดทางจะในเวลานี้ถ้าเขาไปไม่ทันเน่คุณจะทำยังไงคิด <c oughs> ว่าการภารากิจของเขามันเป็นพันธะของคุณ ในราการหนึ่งก่อนนี่คุณจะลงมาเกิดคุณให้สัญญากับโยมไว้ว่าทุกคนเด้กพี่เป็นคุนคงคนคนคงคุณก็ดีคุนคงโยคนคงโยงก็ดีอย่างน้อยที่สุดคุณจะแนะนําเขาให้ไปเกิดบนสวรรค์เช่นดาวดึงให้ได้ถ้าเขาจะไปที่อื่นได้ก็ไปเลยไปกว่านั้นได้ก็ไปถ้าอย่างน้อยก็ไปที่นั้นเอ โยมท่านมายันคำแบบนี้ท่านเป็นพ่อนี่แล้วพระท่านก็นเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่เลยว่านั่งนึกในใจว่าตายทีเนาะนี่ท่านเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่และเป็นผู้ใหญ่ที่พูดวาจ า, าใดเป็นความจริงหมดก็มานั่งนึกจะเอายังไงกันดีเนาะใจอยู่ก็ไม่ไหวร่างกายมันก็เดินไม่ไหว ไอ้จะไปมันก็ผิดสัญญายัางได้เรียนกันท่านว่าร่างกายเมาายื่อไร็งจะดีมันบอกคุณตัดสินใจอยู่พรุ่งนี้มันก็เริ่มดีอาการทั้งหมดที่เป็นมาสองปีมันจะหายหมดอะพรุ่งนี้ไม่เป็นอะเฮ้แล้วกันสองปีกว่าให้เราทรมานมาทึ่กับแย่อายุยะไปเข้าจริงๆบอกบอกหายนี่โกงกันหรือเปล่าก็าไม่รู้ ก็เป็นอันว่าเอาก็ตกลงท่านเป็นพ่อเนี่นะพ่อเนี่ท่านต้องเป็นพ่อพ่อที่หวังไล่กับลูกแต่ไม่มีพ่อแม่เป็นผู้มีความความดีมีพรมีหันศีในลูกแล้วก็ไม่มีมมมมอกติศีถ้าลูกขาดความเคารพในพ่อแม่ลูกก็เป็นคนอกักตันโยมไม่รู้คณคนเหมือนกับพ่อจอมโทรายชนที่ทําตนเป็นอาชีทําลายพระศาสนา นี่ในพวกนี้เขาเรียกอักขัน อ, อยู่ไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าเอาเขาหาว่าด่านี่จูบมาให้นักเขาหาว่าด า, ม า, า, า, า, ดามาแล้วคราวนี้จูบให้นักเขาก่อนนี่มันไม่มีแรงจูบน้อยคราวนี้มีแรงจูบให้นัก <c oughs> แล้วก็ไม่แครระดับชั้นนะอย่าย่ายุ่งนะไม่แคร์นี่พร้อมจะแยกนี่กายอยู่ทุกลมให้ใจเขาออก อยากจะตั้งเป็นพุทธนิกายให้มันเกิดขึ้นไม่อยากจะรวมอยู่กับพวกป้วนโคลนป้วนขี้ไปทางไหนก็เหม็นโฉบบอกแบกยศฐานมรนดาสักแบกตําแหน่งหน้าที่แบกสักสีเรียนชนนั้นชนี่ไอ้ตัวมานะทิฐินี่มันตัวเลวนี้แบกกันไปทําไมลาบยศเสน่สน ส, สุขเป็นโลกกะระทำพระพุทธเจ้าให้ตัด ถ้าหากว่าบังเอิญพระมหากษัตริว์ท่านถวายก็รับเธอแต่ว่าจะไปแบบกไปสิเอามันเก็บสถที่กุติให้รู้จักหน้าบางก็นะบ้างจะทำหน้าเป็นถนนเอ้ยถนนมันยังสึกนาแต่คนหน้าด้านใจด้านเนี่ยมันไม่รู้จักสึกมันงอกมันงามเลยถ้ เ, เป็นอันว่าเนี่ยเมื่อท่านว่ายอย่างงั้นก็ยอมรับ ยอมรับตอนนั้นลมหลังจากยอมรับก็กลับมาสู่สภาพปกติเข้ามาอยู่ในร่างกายลืมตายทาาั้งหมดโยมเต๋อชื่อจริงๆกันยังไงคนนี้เป็นคนท่งบินโตอยู่ถ <c oughs> ้ามาถามว่าท่านรับไปโรงพยาบาลมีดีไหม <c oughs> ก็เรียนกันท่านว่าไปก็ได้ก็คิดในใจว่าไปหรือไม่ไปมันก็มีผลเท่ากัน ว่าท่านนห็นสัญญาว่าวันพรุ่งนี้อาการทั้งหมดมันจะหายไปแล้วมันก็จะดีขึ้นร่างกายดีหน้าตาลาดับว่าถ้าของท่านไม่เคยผิดแต่เพื่อเป็นการรักษากําลังใจของคนที่มันนั่งแน่งกุฏิมาเมื่อไรก็ไม่รู้เมื่อไปก็ไปก็เลยสั่งให้หมอน้ำเกลื อ, อนิดหนึ่งมาถอดเข็มเพถอดเข็มให้นําเกลือออก เขาถามให้ทําอะไรต่อไปถามว่ารถมีแล้วหรือท่านก็บอกว่ารถมีแล้วแล้วเตรียมกัรพร้อมแล้วก็เลยบอกว่าท่ายังไงฉันแยกเข้าห้องน้ําอาบน้ำเอาท่าเสียงลอยเนี่ยเขาก็ทํำท่ายาประคองก็เลยบอกว่าไม่ต้องประคองแล้วจะลุกขึ้นยันได้เพราะอะไรเพราะตอนนั้นแรงคืนตัวพอท่านบอกว่าถ้ารับปากกาลังจะคืนตัวทันที ก็ลุกก็เดินเข้าห้องน้ําอาบน้ําอาบท่าแบบสบายคนที่เขานั่งดูเขาก็คงจะคิดไว้นี่มันป่วยยังไงของมันเนี่ยถ้าทางเหมือนกับคนที่ไม่เป็นอะไรเลยนี่บรรดา ญ, ญาโยมพระธบริษัทกําลังสมาธิเนี่ยมีประโยชน์มากช่วยกําลังร่างกายเราได้เป็นอย่างดีเมือ่ออาบน้ําท่าเสร็จก็ไปโรงพยาบาล ตึกสงที่จังหวัดอุ ท, ทัยธา น, นีอยู่บนเนินเขาเขาก็เตรียมเปรจะมาหามก็เลยบอกไม่ต้องหามฉันอยากจะออกกำลังกายก็เดินขึ้นไปแบบปกติไปคอยหมอเติมก่าจะมาเขาไปตามหมอเติมหมอเติมมาก็ให้หมอก็มาหมออื่นมาก่อนหิว <c oughs> น้าเกลือมามาเจอรอยให้น้ำเกลือเขาก็เลยไม่ให้ เดี๋ยวหมอเติมมาก็จัด ก, การสถานให้อยู่ที่อยู่ให้เสร็จท่านก็ดีมากเยี่ยมทั้งกลางวันกลางคืนเป็นอันว่าตอนเช้าก็เดินสบายไปจนไกลอาการต่างๆที่เป็นมาก่อนมันก็หายไปหมดเจ้าตั้งคนที่ปฏิพยาบาลอยู่ก็แปลกใจว่าอ้่านมันยังไงกันแน่เป็นอันว่าที่ว่าเป็นยังไงกันแน่เป็นยังไงก็ช่างเถอะ แล้วก็ถือว่าเรื่องราวต่างๆไม่ก็เป็นความจริงตามนั้นนี่เป็นอนุว่าการที่จะต้องอยู่ต่อไปแต่หลังจากนั้นไมาสองสามวันขณะที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลตามศพพระนักเทศรุ่นเก่าท่านบอกนอนจงอย่านอนเปล่าแล้วก็เอาด้วยคำว่าเอาด้วยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า ไปทำสิ่งที่เลวสามมันเป็นเรื่องการกระทำทางด้านจิตใจให้มีความสุขในประเด็นว่าท่านบว่านอนยันนอนเปลา่าเอาด้วยใ น, นเวลาที่เราป่วยหรือไม่ป่วยก็ต้องเอาด้วยเอาก็คือหนึ่งจิตคำหนึ่งอยู่ในด้านพรหมวิหารสี่สองสกายกัก้นนิวรณ์ห้าแยกเข้ามายุ่งในใจ สามสกัดกั้นกำลังใจอย่าให้มีกังวลแล้วสี่รักษากำลังใจของตนให้ทรงสมาธิตามความสามารถที่ทำได้แล้วก็ห้านั่งนับสังโยชนิปรการว่าอะไรมันกวนใจเราบ้างแล้วก็หกนั่งไล่บารมีสิบทัศว่าอะไรบ้างที่องค์สมเด็จพระสุทรธรรมทรงแนะนำพันบกพร่องบ้าง แล้วก็เจตตักัะวนใดๆทั้งหมดแม้จะร่างกายของเรา 8. จิตใจของเราไม่พอใจคือไม่ต้องการมนุษยโลกเทวโลกและพมโลกสิ่งที่เราต้องการก็คือพณิธานและ ก, การที่จะไปปณิธานได้จะทำไงต้องมานั่งไล่ใส่สังโยกคือสกายาทิฏฐิตัวนี้หันให้มันแหลกไปเพราะมันจะตายอยู่แล้ว ตายหรือไม่ตายก็คิดว่ามันตายอยู่นังเอาด้วยเอาไว้เป็นปกติพอเริ่มจิตสบายก็ปล า, ายกดว่าเห็นพระท่านมาตามปกติมีฉับพลันสีรัศมีพระ ก, การผ่องใสแล้วก็ถามมาลูกจะอยู่กับพ่อไปกี่ปีจะทำงานเพื่อพ่อไปกี่ปียังนึกกราเรียนว่ากี่ปีนะไม่สำคัญถ้าร่างกายดี ท่เลยตัดว่าเอาอย่างนี้ก่อแล้วกันนะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออยู่กับพ่อไปสักสี่ขอโทษแต่นี่ตอนตอนหลังแล้วนะเป็นว่าตอนพศสองพันห้ารสามท่านบอกขอให้อยู่ไปสิบปีเออขออยู่ไปติดสองปีนะมาตอนนี้ท่านบอกรับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขออยู่กับพ่อไปสนะนะิบนน ป, นน ป, ออบ ป, ปีนับตั้งแต่ปีศศสองพันห้าร้อสิบห้า เขา อ, อยู่ไปอีกสิบปีอันนี้มันก็จะครบสิบปีอยู่แล้วนะใช่ั้มปีพศสองพันห้าอยสิบสามขอยู่สิบส อ, องปีพศองพัน้าร้อยสามพศสอพันห้า้อสิบห้านี่เขา อ, อยู่สิบปีนี่จนจะหมดเวลาแล้วสนะิเรื่ว่าจนจะหมดรนะยะที่จะอยู่นี่ก็ปรากฏว่าเวลานี้ แต่ว่าปีนั้นที่ท่านยาสั่งให้อยู่ท่านทําวิธีอย่างนี้ให้ตั้งโลงศพให้ตั้งโลงศพเข้าไว้ก่อนหน้าที่จะป่วยจัดโลงศพจากเครื่องตั้งเสร็จคิดว่ามันป่วยมากถ้าตายแล้วจะไม่ลําบากกับคนที่อยู่ตั้งเสร็จก็เป็นเจริยาแห่งการอยู่พอตั้งโลงนี่มันไม่เค ย, ยตายญาติโยม ญาติโยมที่ป่วยหนักๆพ่อป่วยหนักแม่ป่วยหนักยายป่วยหนักผู้ป่วยหนักตาป่วยหนักเนี่ลองเสี่ยงดูก็ันบางจะไม่แน่นะ ก, ก็แต่ว่าส่วนใหญ่เห็นถ้าป่วยหนักถ้าไม่เป็นเรื่องต่อลงไว้ก่อนทิดว่าตายมาไราใส่มานั้นดีไม่ดีก็อยู่ไปสี่ห้าปีหนึเมื่อปีพศสองพนอ 15, ันห้าร้อสิบห้าจะมาก็ถูกสั่งคือเื่อปีพศสองพันห้ารอสิบสี่ ทูสั่งให้ต่อลงเช่นเดียวกันตั้งขตั้งไปเสร็จในที่สุดเราก็เลยตายไม่ลงเมื่อตายไม่ลงมาปีนี้พอสอ ง, องพันห้ายี่สิบสามปรากฏว่าเมื่อเร็วๆนี้ให้สั่งสร้างกุดังเก็บศพร้างยาวกว้างเท่าแปดวายาวยี่สิบเจ็ดวา ทำเป็นตัวติดสองชั้นทำมีหายโคตรทำรั้รอบขอบชิดเสร็จกูดังเก็บศพตัวเองนี่มันใหญ่โตมากเลยคืนกันเลยบอกว่าก่อนที่แกจะตายแล้วก่อนที่คนอื่นเขาจะไม่ได้ใช้อะไรก็ไอ้กูดังเก็บศพเนี่ยให้มันเป็นโรงพยาบาลซะก่อนเป็นที่นอนเขนาบรรดาพระสงค์แล้ว บ, บ, บาสุกุมบาศิกาที่เข้ามาปฏิบัติในพระศาสนาเขาป่วยไข้ไม่สบาย จะได้เป็นที่แยกนอนของคนไข้หมอของเรามีเยอะไม่เป็นไรแปลว่าตาเลยตั้งให้ตั้งใกล้ๆลงพยบาลากสถานที่ให้เสร็จเป็นนั้นว่าปีนี้คือ 2,123 นี้ก็ต้องมีโครงการสร้างกำแพงจริงๆยาว 2,000 เมตรเสร็จถ้าคลี่ออกไปเนะี่ยทางกองทางเข้ามาพิจารณาแล้ว เขวัดแล้วยาวสองพันเมตรเสร็จแล้วก็จะต้องสร้างห้องตึกเป็นห้องแถวต่อไปถ้าสร้างเสร็จก็ประมาณสาม้อยห้องสร้างตึกอาํานวยการสร้างสันลายใหญ่ยาวหกสิบแปดเมตรสองหลังสำหรับไปทำศพสร้างเตาอบเผาศพต้องซื้อที่ซื้อที่จริงๆประมาณหกสิบไร่เสร็จดู อันนี้สร้างตั้งสพอินาโกรมันจะตายไม่คืนลงสร้างตั้งใหญ่รือว่าทำพิธีใหญ่เมื่อก่อนตั้งลงเล็กมันก็อยู่ได้สิบปีพศ2514ยี่อสิบสี่ก็สิบให้ครบจริงๆร อ, องพ25ศ2525แต่ว่าคาร น, นี่เริ่มสร้างไปบ้างแล้วั้หวัาตึกใหญ่อันนั้นใจลงมือเดินเมษาหยน2524 ใหยิบสามี22ี่้ิบสองเขาโทษนยโยมนะการณาที่พูดนี่เป็นปีสองพันห้าร้อยี่สิบสองแต่เดือนเมษายนพศสองพันห้ารอยี่สิบสามให้ลงมือทำให้เสร็จในปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบสี่ตั้งเครื่องศพไว้เสร็จกางดีไม่กันถาว่าจะทำไงต่อไปถ้าบอกศพแกห้ามเผา แล้วก็ถามว่าเก็บไปททาไมอ่ะอบอกว่าถ้าเอาเผาได้เดี๋ยวไอ้พวกคนข้างหลังมันอดตายไม่เผาแล้วก็เวลาศพที่วางห้ามาโ h ไปด้านทิศใต้ห้ามมาห o ไปทางทิศตะวันตกให้ h o ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกทำโลงศพทำที่เที่ยงน้ำเหลืองไว้เสร็จให้เรียบร้อยเวลาที่จะตายจริงๆจะได้สบายสาหรับคนนี้ก็จัดงานศพ มีแค่นั้นแล้วก็งานศพอันนี้มันจะยุ่งไอการจะตั้งศพตรงไหนดีมันจะเถียงกันเราทำเราไว้ก่อนแล้วถามนี่ว่าถ้าทําคราวนี้จะดึงหรือไม่ดึงล่ะและ้วก่อนสิบสองปีดึงมาสิบปีแล้ไอสิบปีนี่จะดึงหรือไม่ดึงแต่ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของเธอฉันจะดึงไว้เท่าไหร่นี่มันเป็นเรื่องของฉัน ถาว่าฉันจะดึงไว้ทีาร่างกายของเธอมันจะดีอยู่อย่างนี้มันก็ป่วยไข้ไม่สบายแบบนี้แหละแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่ไม่หนักไม่หนาเธอจะว่ายังไงก็เลยกลาบเรียนนึว่าไม่ว่าไงเวลานี้อยู่ไม่มีทุกคำว่าทุกทางกายก็ไม่มีคำว่าทุกทางใจก็ไม่มีแต่งบประมาณประมาณสามสิบล้านนี่สิไม่รู้จะเอาที่ไหน แล้วบอกไม่เป็นไรเขาค่อยทำไปเขาให้เท่าไรแล้วก็ทําเท่านั้นแต่ว่าทําท่าไรม่เกินกว่าเขาให้ทุกทีเวลานี้ก็เป็นนี่อยู่เล็กน้อยจะติดแปดล้านเท่านั้นเองไม่ยังไม่ไม่มากแล้วบรรดาท่านพู้ตบริษัทเรื่องสาธารณมานี่จะเลยเวลาไปเลยวินิจจะเข้าเรื่องเรื่องมังสีล้งพ้าปันก็ขอจบเพียแค่เพียงเท่านี้นะ เวลานี้เวลาเลยเป็นหนึ่งนาทีสถานีวิว่าณไหบางกะเวซาบเป็นนั้นว่าก็ต้องรีบขอลาก่อนนับตั้งแต่ต่อตอนหน้าไปก็เป็นการเข้าเรื่องในนักสืบประวัติของพ่อปานแม่ก็คงต่อเติมไม่น้อยสําหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะ์มงคลสมบูรณ์ผนผ ล, ล, ลจงมีแดดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี